มีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตนาคาเสนาฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาค เ, เสนผู้จำเรินพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าอาจจะยังอัศาสะปัสสาสะให้ดับนี้จะได้หรือไม่ได้พระนาค เ, เสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่าได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาชาวสาคละนคร มีพระราชโงค์การถามว่าพระผู้เป็นเจ้าจะยังอัศสะปัสสะให้ดับนั้นอย่างไรพระนาคเษน จ, จิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูกระระบ่พิษพระราชสมภารกิงมัยสิพระองค์ลำพึงการสำคัญอย่างไรอันหนึ่งบุคคลที่นอนหลับไปแล้วกรนนี้บุคคลนอนกรนนั้นพระราชสมภารได้ฟังบ้างหรือหามไม่ได้